วัศาสตร์ไทยสมัยสุโขทยัยการสถาปนากรุงสุโขทยัยก่อนการสถาปนากรุงสุโขทยัยดินแดนตั้งแต่ภาคเหนือลงมาแถบรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถึงอ่าวไทย อยู่ภายใต้การปกครองของขอมโดยดินแดนตั้งแต่ปากน้ำโพขึ้นไปเป็นอาณาเขตสยามมีเมืองสุโขทัยเป็นศูนย์กลางและดินแดนส่วนทางใต้ตั้งแต่ปากน้ำโพลงมาจนถึงอ่าวไทยเป็นอาณาจักรละโวราวปีพศ1780พ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางและพ่อขันผาเมืองเจ้าเมืองลาดได้ร่วมกันรวบรวมกำลังเข้าตีเมืองสุโขทยัยและเมืองต่างๆของขอมและสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีโดยมีพ่อขุนบางกลางหาวเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง ทรงพระนามว่าพ่อคุณศรีอินทราทิบย์ปกครองกรุงสุโขทยัย